อินทรีสังวรศีลนะต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า129อินทรีสังวรศีลสำคัญเพราะว่าเกื้อกูลต่อปาติโม่ะส ok ังวรต่อจากเมื่อวานเลยนะ นับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบรรทัดที่เก้าก็เมื่ออินทรีสังวรศีลนี้ภิกษุไม่ทำให้ถึงพร้อมได้อย่างนี้แล้วแม้ปาติโมัดสังวรศีลก็ย่อมเป็นอันไม่ยั่งยืนอยู่ได้นะถ้าใครที่ไม่มีอินทรีสังวรเนี่ยนะมีปกติถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะในกับทุกๆอารมณ์นี่นะ แม้แต่ปาติโมคสังวรคือกายสุจริตวจีสุจิริก็รักษาอยู่ไม่ได้ให้ยั่งยืนไม่ได้เหมือนข้าวกล้าที่ไม่มีการล้อมรั้วป้องกันด้วยดีฉะนั้นนะเพราะว่าอินทรีสังวรนี่นะเกิดขึ้นจะไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีอินทรีสังวรเนี่ยนะก็จะถือโดยสุภานิมิตชาวนะก็เป็นไปกับ โลพาถ้าปฏิฆานิมิตรชาวนะก็เป็นไปกับโทสะถ้าหากว่าอุเบขานิมิตรก็เป็นไปกับโมหะทีนี้โลพะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยนะปัญจทวารวิถีก็จะเกื้อกูลต่อมโนทวารวิถีมโนทวารวิถีก็จะเกื้อกูลเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่ปัญจทวารวิถีมโนทวารวิถีก็ทํากายกรรมล่วงมาทางกายทวารล่วงมาทางวจีทวารพื้นฐานจากการ ถือในนิมิตและอนุพยัญชนะในอารมณ์นั้นๆเพราะว่าภิกษุผู้ไม่ทำอินทรสังวรให้ถึงพร้อมนี้ย่อมถูกพวกโจรคือกิเลสทั้งหลายเบียดเบียนได้เหมือนบ้านที่มีประตูเปิดไว้ย่อมถูกพวกโจรผู้มีการปล้นผู้อื่นเป็นปกติเบียดเบียนเอาได้ฉะนั้นเถ้าหากว่าปล่อยให้เกิดการรับอารมณ์อ น, นันด้วยอานาจของโลภะโทสะเห็นไห กุศลจิตก็หายไปหมดแล้วในขณะนั้นนั้นถูกปล้นไปหมดแล้วอพานิยตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพาธรรมรม์นี้พระองค์ทรงแสดงเหมือนกับโจรปล้นชาวบ้านเห็นไหมเพราขโมยพันฑะคือกุศลจิตไปหมดเลยเห็นไหมขโมยพันดะคือฐานกุศลไปลขโมยพันดะพันดะนี้แปลว่าเข้าของอะนะขโมยทานกุศลขโมยศีและกุศล สมถะกุศลวิปัสสนากุศลกุศ ล, ศลจิตที่จะเป็นไปกับคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งอารมณ์ภายนอกเนี่ยนะกระชากออกไปหมดแล้วอันหนึ่งราคะย่อมรั่วรถจิตของเธอได้เหมือนฝนรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉะนั้นจริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดคำนี้ไว้ว่าภิกษุย่อมรักษาอินทรีย์ในเพราะรูปเสียงกลิ่นรส และภาษาทั้งหลายเพราะว่าทาวารทั้งหลายที่เปิดไว้ไม่รักษาไว้เหล่านี้ย่อมเบียดเบียนเอาได้เหมือนเหล่าโจรผู้มีการปล้นผู้อื่นเป็นปกติ เ, เบียดเบียนบ้านที่มีประตูเปิดไว้ได้ฉนั้นเห็นไหมฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉนันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้อบรมฉนั้นเหมือนกัน คือคำว่าไม่ได้อบรมก็คือไม่ได้อบรมด้วยโลกุตระภาวนาวางกันไม่อบรมให้ถึงที่สุดแล้วราคาเป็นต้นก็จะรั่วรถจิตเพราะการเกี่ยวข้องกับในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ไปแต่ว่าส่วนใหญ่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดโลภโทสะโมหะมากที่เราคิดถึงมากอารมณ์นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เรียกว่าคนและสัตว์เนี่ยนะ อารมณ์คือวัตถุเข้าของส่วนใหญ่เนี่ยนะบางคนแทบไม่คิดถึงเลยนะวันๆหนึ่งถึงเกี่ยวข้องกับวัตถุอันนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับคนอยู่ดีเห็นไหมที่เรียกว่าอารมณ์ที่เรียกว่าคนวัตว์ส่วนใหญ่นั้นเป็นอารมณ์ที่ที่เราคิดถึงค่อนข้างบ่ยอยเมื่อคิดถึงบ่อยเนี่ยในอารมณ์อันนั้นเนี่ยนะก็ต้องเอาอารมณ์ น, นั้นมาให้ครวญให้เพียงพอจริงๆแล้วยกตัวอย่างว่าวิเคราะห์โดยศีลเป็นต้นแล้ ว, วนะเป็นอย่างดีแล้วต่อไปก็จะไม่คิดเป็นบาปกับอารมณ์นั้นๆเลย นะพอเห็นอารมณ์นั้นปั๊บก็นึกคำสอนก็จะเข้ามาทันทีเลย อ, อ่านพบบางแห่งเขาบอกว่าผู้ที่อบรมเรื่องนี้มากเนี่ยนะช า, ชาวนะเป็นอกุศลชาวนะที่หนึ่งคือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองพอวิธีที่สามกำจัดแล้วอันนี้อันนี้นับว่าช้าแล้วนะพวกที่ปล่อยให้อกุศลจิตเกิดประมาณสองสามชาวนะเนี่ยนะอันนี้ช้ามากนะแต่ก็ก็ดีนะถ้าอบรมมามากๆแล้วนะถึงเผลอไป ก็สองสามชาวนะเท่านั้นเองสองสามวิถีนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อบรมแน่นจริงๆเนี่ยนะก็บอกว่าอุปนิสัยไอ้ของเดิมเนี่ยมามากมันไม่มีโอกาสให้อกุศลเกิดเลยอยู่พื้นฐานว่าก่อนหน้านี้คิดอะไรมาไม่ใช่ก่อนหน้านี้โอ้ปล่อยสติปล่อยสตังค์ไปที่ไหนเลิดเปิดเปลงหมดไปเจออารมณ์นี้อ้าวนั่นละเพิ่งบอกว่าไอ้อกุศลเล่นงานกลุม่มรุมเลยนะแล้วมาเดือดร้อนใจอออันนี้มันมันสายซะแล้ว ขับรถมาตั้งร้อยแปดสิบมานะแล้วมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะชนโครมนาก็บอกว่าไม่น่าชนเลยเสียเวลาหน้าเดียวเลยนะที่นายได้ขับมาตั้งร้อแปดสิบอันนี้ก็เหมือนการส่วนใหญ่ก็ปล่อยความคิดเตลิดเปิดเปิงคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดซะส่วนใหญ่เลยนะรู้อยู่แล้วว่าคิดเรื่องนั้นแทบประโยชน์แทบไม่เกิดเลยถึงเรื่องนั้นมีประโยชน์ก็ไม่ได้ตั้งสติเพื่อจะคิดเอาเป็นการเป็นงานนะลักษณะจะชอบคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเบางที ลองถามความคิดเราดูเอ๊ะคิดเรื่องนี้ทําไมคิดแล้วดียังไงเนี่ยนะคิดแล้วจบเมื่อไหร่เนี่ยถามดูนะส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เราคิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของความเคยชินที่ปล่อยไปเรื่อยซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไอ้ช่วงที่ปล่อยอารมณ์ไปแบบนี้มากๆแล้วไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใหม่ๆขึ้นเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่าเอ๊ะอารมณ์นี้อกุศลมันเกิดแล้วทำยังไงอ่ะอันนี้ก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้อบรมมาปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไง พราะผู้ที่ผู้ที่ฝึกมาดีเนี่ยนะอย่างคนที่เห็นโทษของสภาพจิตที่เป็นบาปเนี่ยนะแค่แวบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่เขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระดมธรรมะเนี่ยเข้ามาไข ค, ครวนมาเพ่งเรื่องนั้นโดยตรงจริงๆเลยเท่าที่รู้จักพระพิสูจ์บางรูปเนี่ยนะแค่ว่าอากุศลจิตเกิดแวบเดียวเท่านั้นเองนะท่านสอนท่านเป็นชั่วโมงอ่ะเห็นไหม เอาธรรมะมาม า, มาเทศสอนตัวเองนั่นแหละเป็นชั่วโมงเลยทั้งๆ ท, ที่ไ อ, ไอความคิดอันนั้นหมดไปนานแล้วเพียงแต่ว่ามาชี้ทุกชี้โทษชี้ภัยต่างๆเนี่ย น, นะอนะอยู่เป็นชั่วโมงเพรา ะ, ะ น, นพออารมณ์ชนิดเดียวกันเกิดขึ้นอีกปับ๊บจะได้นัยะก็จะไม่เป็นละแต่ว่าเมื่ออินทรีย์สังวร น, นั้นพิสุทําให้ถึงพร้อมแล้วแม้ปาติโมฆะสังวศรศีลก็ย่อมเป็นอันยั่งยืงยนอยู่ได้ตั้งอยู่ได้นาน ขนาดคิดเป็นบาปเนี่ยนะยังไม่มีเมื่อเห็นอารมณ์แล้วคิดเป็นบาปไม่มีถามว่าเขาจะพูดเป็นบาปได้ยังไงเนี่ยนะพูดชั่วได้ยังไงจะทําชั่วได้ยังไงเพราะว่าปาติโมคสังวรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกายกรรมและวจีกรรมกายทวานวาจีทวานกายทวานวาจีทวานเนี่ยที่ชั่วเพราะอัถิว่าจิตอันนั้นเนี่ยเป็นอกุศลเนี่ยนะเมื่อจิตเป็นอากุศลเปล่งวาจาออกมา ไอ้วจีอันนั้นก็นับว่าทุจริตไปเลยเมื่อเขายืนเดินนั่งนอนขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็นับว่าเป็นกายทุจริตทุจริตแบบนั้นเลยเอาแบบสูงสุดนะนับว่าทุจริตแบบนัยยะแบบสูงสุดแต่ขณะนั้นยังไม่ล่วงศีลนะคือหมายว่าที่ที่กล่าวว่ายังไม่ล่วงศีลหมายคำว่ายังไม่ล่วงกรรมที่ให้ผลนำเกิดได้นะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไปเอามาตรฐานคือ ถ้าครบองค์ไอกรรมที่ให้ผลล่วงกรรมบทได้น่ะ น, นะส่วนใหญ่นั่นแหละขาดศีลละแต่ว่าไออากุศลที่เกิดก่อนหน้านั้นเออยังไม่เป็นไรสบายมากของเราเนี่ยจะเข้าถ้าหากว่าล่วงเช่นถึงกับพุสวาจาออกมาเนี่ยนะซึ่งไอคมนั้นเนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุแปลงนั้นนำเกิดได้แล้วอันนี้เราจรึงจะยอมรับเออใช่บาปจริงๆนะแต่ก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยอมรับเนี่ยนะ ก็จ ะ, จะยินดีไอสภาพแบบนั้นอยู่แต่เชื่อไหมว่าไอการสะสมความคิดนั้นนั้นมันแหละเป็นอุปนิสัยให้ล่วงกรรมบดเกือบทุกข้อเลยท่านอุปมาว่าเหมือนข้าวกล้ามีการล้อมรั้วป้องกันไว้ดีแล้วฉะนั้นเพราะว่าภิกษุผู้ทําอินทรสังวรให้ถึงพร้อมได้นี้ย่อมไม่ถูกพวกโจรคือกิเลสทั้งหลายเบียดเบียนเอาได้เหมือนบ้านที่มีประตูปิดกั้นไว้อย่างดีแล้ว ย่อมไม่ถูกพวกโจรผู้มีการปล้นผู้อื่นเป็นปกติเบียดเบียนเอาได้ฉะนั้นอันนึ่งราคะย่อมรั่วรสจิตของเธอไม่ได้เหมือนฝนรั่วรสเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉะนั้นจริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดคำนี้ไว้ว่าภิกษุย่อมรักษาอินทรีย์ในเพราะรูปเสียงกลิ่นรสและภาษาทั้งหลายเพราะว่า ทวารทั้งหลายที่ปิดกัน้นป้องกันไว้ดีแล้วเหล่านี้ย่อมเบียดเบียนไม่ได้เหมือนเหล่าโจรผู้มีการปล้นผู้อื่นเป็นปกติ เ, เบียดเบียนชาวบ้านที่มีประตูปิดกั้นแล้วไม่ได้ฉะนั้นนไะถ้าประตูบ้านช่องเนี่ย น, นะปิดอย่างดีโจรก็เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าปิดอย่างดีละฝนย่อมรั่วรถเรือน ที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะย่อมร่วรลจิตที่บุคคลอ บ, บรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นดังนี้นะคนที่เจริญจิตเป็นอย่างดีเนี่ยนะอ บ, บรมจิตเป็นอย่างดีถามว่าจิตเนี่ยนะอบถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าอบดีแล้วใช้คําว่าอบดีกว่าทำให้มันสุกกนะันนะเห็นไเอาอะไรมาอบจิตดีจิตจึงแบบกิเลสไม่ครอบงําย่นะํายีเห็นไหมมันต้องอบถึงที่สุดแล้วนะยางเหนียวมันจึงจะหลุดออกได้ ม่นานะคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยบาลีบาลีเขใช้คําว่าภาวนาไทยใช้คําว่าอบรมก็คือทั้งอบทั้งรมอ่ะเนะจนเอาจนสุกนั่นแหละแต่คําว่าอบรมตรงนี้เนี่ยนะหมายถึงอบรมด้วยโลกุตระมัคเนี่ยไอ้อบรมของท่านกับของเราบางทีก็คนละเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าอบรมในยะที่นี้ก็คือเมื่ออรหัตตมัคเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะชื่อว่าอบถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะยางเหนียวนี่หลุดหมดละ เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะวิธีการอบก็เป็นไปตามลําดับนั่นแหละนับตั้งแต่อย่างที่เราเรียนเรื่องอธิสีลสิกขานี่ก็เริ่มอบจิตแล้วนะเพราะว่าจะไม่ปล่อยให้จิตชุ่มเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะเพราะว่าคนที่มีศีลดีเนี่ยนะโลพะโทสะโมหะก็ไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะเพราะว่าพื้นฐานคือฮิริโอต ป, ปะนี่มีกําลังมากอันนี้จัดเป็นเทศนะที่เป็นอุ ก, กรฤษยิ่งนะอันนี้เอาแบบสูงสุดเลยนะทัถ้าอบรมดีจริงๆก็ต้องระดับ มักนั่นแหละโลกุตระภาวนาธรรมดาว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเร็วนะท่านก็ท่านยังขย่อนมาให้เรานะแสดงว่าท่านรู้อัธยาศัยเราเป็นอย่างดีท่านท่านก็พูดแบบสูงสุดแล้วท่านค่อยๆลดลงมาว่าเออจิตนี้เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเร็วพระเจ้าอุเทนนี่ก็เอาคํานี้แหละไปถามพระพระภารัวาชาเนี่ยนะ เกี่ยวกับว่าเออจิตนี้เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเร็วตอเดี้ยจะอ่านให้ฟังครั้งซึ่งเอาตัวอย่างของพระวังคีสะก่อนเพราะฉะนั้นพิสุบรรทาราคะที่เกิดขึ้นด้วยอสุภะมณสิการแล้วก็จะพึงทำอินทรสังวรศีลให้ถึงพร้อมได้เนี่ยนะก็คือถ้าหากว่ามันละเมิดไปแล้วอะทำยังไงคือคิดเป็นบาปไปแล้วทาไงอะท่านก็บอกว่าเจริญอสุภะนะ มนัสิกาในอสุภะแล้วก็ตั้งอินทรีสังวรใหม่อินทรีสังวรก็จะบริบูรณ์ได้ซึ่งคำว่าทำให้ถึงพร้อมดีกาท่านอธิบายว่าคือจะเพืงทําให้ถึงพร้อมได้ด้วยความหมดจดเพราะการตั้งใจไว้ว่าณปูเนวังกริสันตินี่นะแปลว่าเราจกไม่กระทำอย่างนี้อีกเนี่ยนะสมมุติว่าเห็นแล้วจิตเป็นไปกับโลภะจิตเป็นไปกับโทสะเนี่ยนะเป็นตน้นอธิษฐานเลยว่า จะไม่คิดแบบนี้อีกเนี่ยนะใหม่ๆมันก็ทำยากเหมือนกันนะแต่ถ้าสมทานแบบนี้เข้าสักร้อยครั้งเนี่ยนะอ่านะเป็นร้อยเป็นพันครั้งต่อไปแล้วก็จิตมันก็ว่ามันก็ว่าง่ายเหมือนกันนะแต่ต้องบ่อยๆหน่อยแค่นั้นแหละเหมือนอย่างพวังคีสะเทระผู้บวชได้ไม่นานยังอินทรีย์สังบรให้ถึงพร้อมได้ฉะนนั้นเนี่ยนะยกตัวอย่างองค์นี้ที่ท่านเผลอเนี่ยนะไปปล่อยจิตให้เป็นบาปเสร็จแล้วก็ มาสังวรใหม่ก็สำเร็จเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระเถระบวชแล้วได้ไม่นานคือบวชใหม่นะเที่ยวไปบินทบาทไปพบหญิงคนหนึ่งเข้าราคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นจึงบอกกะพระอนุนเทระว่าข้าแต่ท่านพระโคตมะโคตข้าพเจ้าถูกการ ม, มาราคะแผดเผาถูกไฟคือราคะไฟคือราคะเผาแล้วจิตของข้าพเจ้าเร่าร้อนอยู่ สาธุขอร้องขอร้องสาธุนี่มีความหมายว่าขอร้องนะเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าขอท่านจงบอกอุบายดับความเร่าร้อนด้วยเถิดนะราคาที่เกิดขึ้นในจิตครั้งนี้เนี่ยมันเร่าร้อนระวังกันนะบางองค์เนี่ยอย่งนึกในคาถาธรรมบทอะคาถาธรรมบทกล่าวถึงเรื่องนางสิริมามี่ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไปเพื่อที่จะไปบินทบาทบ้านนางสิริมาเลยไปไปดูแล้วก็ กลับมาถึงวัดเนี่ยฉันเข้าไม่ได้เล ย, ยนะฉันเข้าไม่ลงเลยต้องเอาทิ้งไว้อย่างนั่นแหละนอนสมอย่างเดียวเจดวันอ่ะข้าวนี่บูดอยู่เดียวบาดหมดใครไปพูดอะไรก็ไม่ฟังทักอย่างอย่างไรบางคนก็ต้องขนาดนั้นอะมาคือไอ้กิเลสบางอย่างเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นมันก็ร้าเรอนจริงๆทีนี้ท่านพระอนุเถระจึงบอกท่านว่า <c oughs> จิตของท่านร่าเรอ น, นเพราะ ความแสบไปผิดแห่งสัญญาเนี่ยนะท่านแสบไปผิดเองว่างั้นเถอะซึ่งอธิบายว่าที่เป็นไปว่างงามในสิ่งที่ไม่งามเพราะสัญญาวิปลาสเป็นเหตุ น, นะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสัญญาวิปลาสนะขอท่านจงเวน้นสุภานิมิตที่ประกอบกับราคะนั้นเสียนะเว้นนะนนะคือให้คัดก่อนขั้นแรกก่อนเปลี่ยนอารมณ์ก่อนอ น, นะเวน้นหลีกักจงอบรมจิต ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นดีด้วยอสุภะเสร็จแล้วก็มาเจริญสมถะเจริญกายคตาสตินะจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอื่นโดยความเป็นทุกข์และโดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนคือเว้นจากอัตตาเนี่ยนะจงยังราคะใหญ่ให้ดับเสียอย่าเป็นผู้เร่าร้อนอยู่บ่อยๆเลยเนี่ยนะอย่าให้ราคะเกิดขึ้นเร่าร้อนแบบนี้แล้วก็ ภาปฏิสนธินำเกิดอีกบ่อยๆเลยมอนันั้นข้อความตรงนี้เนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วเนนะยกตัวอย่างที่ว่าจิตของท่านเร่าร้อนเพราะความแสบไปผิดแห่งสัญญาขอท่านจงเว้นสุภานิมิต ท, ที่ประกอบกับราคาเสียอันนี้เป็นกุศลศีลเป็นอาทิศีลสิกศิขาจงอ บ, บรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นดีด้วยอสุภะอันนี้เป็น สมถะกรรมาฐานจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอื่นโดยความเป็นอื่นก็คือไม่ฟังโดยความเป็นทุกข์ก็เพราะว่าถูกความเกิดถูกความดับเบียดเบียนบีบคั้นเหนไนะเหตุเพราะว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงนะแล้วก็โดยสภาพเป็นของมิใช่อัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาจงยังราคะใหญ่ให้ดับเสียด้วยอรหัตมัคนะ อย่าเป็นผู้เร่าร้อนอยู่บ่อยๆเลยเพาฉันคาถานี้ก็รวมเบเ็ดเสร็จน่นะอะอรหันนั่นแหะพระเทระบรรทาราคะได้แล้วจึงเที่ยวไปบินทบาทอันนี้สอนระหว่างบินทบาทนั่นแหละบินทบาตโยงเข้ามาใส่บาตรทําใจไม่ได้เลยครับนี่โอ้โหต้องขอขอให้แสดงทำให้หน่อยเถอะงั้นบินทบาทไม่สุดสายแน่งั้น <c oughs> นะบางองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าอยู่ในแวดวงของคนหนุ่มหนุมเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยโอ้โหมันเร่าร้อนอะไรขนาดนะั้น เมื่อกี้นี้ข้อความที่บอกว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเร็วซึ่งข้อความอันนี้พระพระเจ้าอูเทนเนี่ยนะซึ่งได้ไปถามพระปินโดลภพาระทวาชะเนี่ยนะคือพระพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขากําลังเมาเนี่ยคือกําลังเป็นพระราชาแล้วก็ หนักไปทางน้ําจันทร์อยู่เหมือ น, น, นกันสวยน้ําจันทร์ครับว่าพระเจ้าอูเทนเนี่ยดื่มมาหาปานะตลอดเจ็วันเหมือนกันมหาปานะน้าจันทร์นั่นแหละนะแต่มันเมาอยู่เจ็ดวันะนะ ค, ค, คือสงสัยไม่ใช่เหล้าอย่างหนักอ่ะนะสงสัยมันมันกลุุ่ลน่ะนะแอลกอฮอลไม่มากนะักงั้นดื่มไม่ได้หเจ็ดวัน ทีนี้ในวันที่เจ็ดก็ทรงรับสั่งให้แต่งพระราชอุทยานมีชนกลุ่มใหญ่แวดล้อมเสด็จไปในพระราชอุทยานที น, นี้ก็บรรทมบนพระแท่นบรรทมที่ลาดไว้ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งบนหลังแผ่นหินอันเป็นมงคลบาทปริจาริกานางบำเรอคนหนึ่งของพระ อ, องค์ก็นวดฟันพระบาทอยู่นะคนนวดก็นวดไปคนนอนนี่ก็นอนนุ่นตักไปอะไรไปพระราชาก็เสด็จสู่นิทรารมนะเมาแล้วเพราะการนวดฟันอ่ะนะ ทีนี้เมื่อบรรทมหลับยิงเหล่านักร้องนักรำทั้งหลายก็คิดว่าเออเราบรรเลงขับกล่อมเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์แก่พระราชาพระองค์ใดพระราชาพระองค์นั้นก็บรรทมหลับแล้วในเวลาพระองค์บรรทมหลับเราควรจะทําความหันษา ก, กันนะมาร้องรําให้ใครดูนะคนดูก็หลับไปแล้วเนี่ยคนรําก็สแสดงไม่ออกแล้วก็เลยวางเครื่องดนตรีของตนของตนเข้าไปยังอุทยานยิงเหล่านั้นเที่ยวกินผลไม้น้อยใหญ่ประดับดอกไม้อยู่ก็เห็นพระเถระ คือเห็นพระปินโดละภาระทวาชะต่างก็ห้ามกันและการว่ายอย่าทำเสียงเอ็ดไปแล้วก็นั่งลงไหวพระเระแสดงธรรมกถาแก่หญิงเหล่านั้นโดยนัยะว่าพวกเธอพึงละความริษยาพึงบันเทาความตนีเป็นต้นหญิงบาดปริจาริกาผู้นั่งแวดล้อมพระบาทของพระราชาอยู่นั้นก็คือก็เขย่าพระบาทปลุกพระราชาคือคือมีหญิงคนหนึ่งที่ให้พระราชานอนหนุนตักอยู่เนี่ยนะ เอาพวกไปหมดแล้วของเรานี่มันนั่งอยู่คนเดียวพระราชาหนุนอยู่คนเดียวชักเมื่อยแล้วก็ขยับขาสักหลายๆครั้งหน่อยก็ ร, ราชาก็ตื่นขึ้นพระราชาก็เลยถามมาอ้าวหญิงเหล่านั้นไปไหนกันหญิงนั้นก็ทูลว่าพระองค์จะมีพระราชประสงค์อะไรด้วยหญิงเหล่านั้นนะได้ช่องกระสอบเสียดเลยหญิงร้องรําเหล่านั้นน่ะนั่งล้อมสมณะองค์หนึ่งนูน่นไม่แวดล้อมพระองค์แล้วไปแวดล้อมพระอยู่นูน่นเหมืนกันพระราชาฟังแล้วก็ส่งพระพีโรธ เหมือนเกลือเนี่ยนะใส่ลงไปในเตาไฟอ่ะมันตะทุแตกขึ้นเรื่อยแล้วก็กระทึบะบาทลงย่ำสนหนักๆลงไปในดินอ่ะนะทรงพระดำริว่าเราจะให้หมดแดงกัดสมณะนั้นจะแกล้งพระซะหน่อยก็จึงเสด็จไปเห็นรังมดแดงบนต้นอโศกก็ทรงเอาพระหัตต์กระชากลงมาแต่ไม่อาจจับกิ่งไม้ได้สงสัยมันโทสะแรงอ่ะ น, นะ จับไม่ดีรังมดแดงก็ขาดตกลงบนศีรษะของพระราชานี่ยแหละทั้งพัวรกายได้เป็นเสมือนเกลื่อนกลนไปด้วยแกลบข้าวสาลีก็เหมือนเอาแกลบนี่นะมาเทลงบนทีษะนะนะั่นแหละและเป็นเสมือนถูกประทีปด้ามเผาเอาคือพระพระปินโดะระภารัตวาชาเนี่ยเป็นพระอรหันยังไงเทวดาก็ต้องรักษาอยู่แล้วพระเระทราบว่าพระราชากิ้วก็เหาะหนีไป แม้หญิงเหล่านั้นก็ลุกขึ้นเข้าไปใกล้พระราชาทำทีเช็ดพัววรากายนะจับมดแดงที่ตกที่ตกลงบนพื้นดินนั่นแหละโยนไปที่พระวรากายใหม่ <c oughs> <c oughs> แกล้งส่งเลยได้ช่องแล้วแล้วก็เอาหอกคือปากเนี่ยนะแทงมดดำมดแดงเหล่านั้นว่า <c oughs> ดา่ดาด่ามดแดงกระทบ <c oughs> นี่อะไรการพระราชาเหล่าอื่น <c oughs> เห็นบันประชิตทั้งหลายแล้วก็ไหวแต่พระราชาพระองค์นี้ ทรงประสงค์จะทำลายมดแดงบนศรีรษะพระราชาทรงเห็นความผิดนะนะพอนี้ก็ได้สเตกขึ้นรับสั่งให้เรียกคนเฝ้าสวนมาตรัสถามว่าบรรพชิตนี้แม้วันอื่นๆมาในที่นี้หรือนะคนเฝ้าพระราชอุทยานก็กราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระราชาก็ตรัสว่าในวันที่ท่านมาในที่นี้ก็เจ้าพึงบอกเรานะถ้าเห็นว่าสมณะรูปนี้มานั่งตรงนี้เมื่อไหร่ไปบอกด้วยนะ หลังจากนั้นมาก็พระท่านก็ไปนั่งอยู่นะเสร็จแล้วเจ้าของคนดูแลสวนก็ไปบอกพระราชาพระราชาก็เลยเข้ามาหาพระบินโดละพาระตวาชะซึ่งกล่าวว่าท่านทระบินโดละพาระตวาชะอยู่ณพระวิหารโคสิตารามกรุงโกสัมพีครั้งนั้นแลพระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาพระบินโดละพาระตวาชชะ ทรงสนทนาปราศัยกับท่านพระปิณโดะระารัทวาชะครั้นผ่านการสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงประทับนั่งหน้าที่โควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระปิณโดระาระทวาชะว่าท่านภารัธวาชะเหตุปัจจัยอะไรหนาะแลที่พิสูจนทั้งหลายเหล่านี้ผู้ยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นมีผมดําสนิทมีเป็นหนุ่มเต็มตัวอยู่ในปฐมวัย ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานคือท่านก็รู้สึกว่าแปลกใจเอ๊ะทำไมพระนุ่มท่านจึงบวชอยู่ได้เพราะสมัยนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อายุเจ็ดขวบไปใช่ไหมเจ็ดขวบนี้เขาบวชแล้วมีบางองค์เนี่ยห้าขวบเลยนั่นแหละจนถึงอายุร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนี่ก็มีแล้วไอ้ช่วงนมนมเนี่ยแปลกใจเขาไ ง, งท่านพระปินโดละพารัตวช้าก็ทูลตอบว่าขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่านะขนาดพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เวลาแสดงธรรมก็อ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนดูก่อนพิสูนทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะพรทโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นมารดาในสตรีปูนมารดาเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นพี่สาวน้องสาวในสตรีปูนพี่สาวน้องสาว เธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นทิดาในสตรี ป, ปูนทิดาขอถวายพระพร ìn. ข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ภิกษุเหล่านี้ผู้ยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นมีผมดําสนิทเป็นหนุ่มเต็มตัวอยู่ในปฐมอวัยยังไม่หมดความร่าเริงในการมทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานในการที่เข้าไปมนฑิการแบบนี้ก็ดีเพราะว่าธรรมดาในโลกสารในวาดเนี่ยนะ ผู้ที่คิดว่าเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกอะไรนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดเป็นอื่นเน่ยนะคิดเป็นบาปเป็นอกุศลไม่มีฮิริโอตปะก็มีกำลังเพราะว่าฮิริโอตปะนี่เป็นธรรมะคุ้มครองโลกอยู่แล้ว